หลวงพ่อทำบุญกับหมาขี้เรือนวันหนึ่งฉันข้าวแล้วก็ไปนั่งเช็ดบาทอยู่ที่ขอนไม้อยู่วัดป่ารรมเนียมของวัดป่าเสร็จอาหารเนี่ยพระฉันเสร็จแล้วขนหนีหมดท่านกลัวพระเนนจะขโมยกินข้าวเย็นที่นี้หมาตัวนั้นมันเดินเซซ้ายเซขวามา มันจะล้มแหลมีล้มแหลมมันมาแล้วมันมามองหน้าเราก็นึกในใจโอ้เจ้าหิวเนาะข้าก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่มีแต่ในท้องนี่แหละเลยล้วงมือเข้าไปสํารอกออกมาให้มันกินมันกินอิ่มแล้วพอหลวงพ่อเดินกลับกุฏิมันวิ่งแป๊ดแป๊ดนำหน้าไปเลยแล้วมันมานอนเฝ้ากุฏิให้ทุกวันจนหนีจากกัน พอหลังจากนั้นมาหลวงพ่อไปที่ไหนมีแต่คนบังคับให้กินจะว่าไม่มีอนิสงส์อย่างไรมาอยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่เนี่ยก็ไม่รู้จะกินอะไรบางทีบางอย่างก็ยังไม่ได้แตะต้องมันอิ่มก่อนไปอยู่แปดริ้วก็เต็มเพะเรเลย